เออสำหรับต่อนนี้ไปก็อขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมักเพื่อถึงความพระอนาคามีผลในสำหรับพอ น, นาคามีตัดสนโยตสองเอกกมัญชนทะกับปฏิคะกามัญชนทะ เราใช้สมถะควบ้วยกายตาและสติแล้สุภกรรมฐานให้เกิดปนิพิท า, ายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุโดยใช้ปัญญาพิจาจริญนาหาความเป็นจริงว่าสภาวะาทาั้งหลายเหล่านี้เต็มอด้วยความสกปรกโสโคร ไม่มีร่างกายของคนหรสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยสดงดงามมีกานจรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของคนรืนสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกมีมูดกระจายหคือ ม, มูดรคุดเต็มไปหมดมีน้ําเลือดําเหลืองลำหล่อเต็มไปหมดพิจารณาจะมาถ่ายกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิาน ย, ยานคือไส้โรงกิตให้เข้มแข็ง คือการใช้อารมณ์จิตให้เข้มแข็งนั่นไม่ใช่เป็นนัง่งหลับตาปี๋ทรงชานการอย่างนั้นเป็นการฝึกพระจิตทรงตัวอารมณ์จิต ท, ที่เข้มแข็งจริงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงมอมีสภาพการที่กล่าว ม, มาแล้วแน่นอกจากนั้นถ้าพิจารณาตรง น, นี้ก็พิจร า, นนาจรณาไปดีว่าโลกของคนละสัตที่เราเรียกถึงว่ากันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสกบรนแล้วก็จะมีความไม่เที่ยงก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติแ่ะที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตยึดถือในกวามมารมณ์หรือกามฉันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง ต่อใจในรสความอรรถอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็ื่อว่าเราโง่เกินไปไปเลยงยุนาหาความเป็นจริง ร, รู้แล้วว่าทั้งหมดในรูปเสียงเสียงรอถถสัมผัสตัวดีมีความสงบรกบน่าสื่อิสเอียนด้วยเงินหนอกจากนั้นก็มีการทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการจงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้คมวิหารสี่ให้เข้าถึงจุดเป็นจับเพื่อดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของปฏิชาทามีสำหรับอนาคามมีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตทีต่จะกราบวิทียังก็ไมถึงกับโกรธ ก็โกรธจัดและไม่ถึงความโกโธทไว้เพี่ยงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่สอบใจไม่มีสำหรับเราจึงเป็นฌ า, า, านนาธามีทังนี้เพราะอะไรพระว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคำของคนนเจิริยาของคนไม่ได้สร้างความดีและ ว, ว่าสร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีหรือว่าเราจะเร็วมันอยู่ในการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นค่อยคำของบุคคลต่างๆที่จะชมก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท้ายครั้งการมินทาดาสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความเร่ารวยในทางวาจาในทางกาย ถ้่เกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นธาตอย่างนี้เราจะต้องมีความรู้สึกอเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาตก็ไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยก็หมายถึงอิสระภาพความอิสระขตัวเองค <c oughs> าว่าธาตในที่นี้ก็เป็นทาตของกิเลสความเศร้าหมองของจิ ร่อยให้จิตจ ป, ประสบปกคุองด้านอำนายของอาโกศลกรรมเม่มีความเร็วสามหมุนไปเดนได้ของตัณหาเมื่อจิตมีความเศ้าหมองเริ่มไน้อาโกศลกรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตกจปกปรดก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความโอ้ปรยาศจากความผ่องใสในการโลจิงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาขู ย่อมไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชัวร่วดังนั้นคนที่ตกเป็นทาสของวิเลสตันหาอุปกายคือความยึดมัน่นคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวยังไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขเป็นเนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่าร้อนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้จึ็คนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทำชั่วเป็นมาแทนที่เราจะโกรธกลมีความเมตตาว่าน่าที่ได้ <c oughs> ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็แสนลาบากเขายอมไปเกียวกับกายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นทุกขกายจากทุกขกายมาเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคนก็แสนไปยากแสนยาก ก็เกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกับประสร้างความชั่วไม่สัมโรมกายไม่สัมโรวมวาจาไม่สัมโรมจิตคิดไว้แต่ใ ด, ด้านอิจฉาดุขยาบกคนอื่นหวังทําลายบุคคนอื่นให้เสี่ยงจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจออกมาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซี่ตรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปเอาคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับปฏิชายกับคนก็ย่าเข้าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะกสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโทษเขาเราไม่คิดจะทำ้ายเขาเราไม่คิดจะโตษตอบอเขา แารที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารว่าเขาจะโง่เง่าเต่าตุ่อะไรอย่างมาเป็นคนได้นิดเดียวใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่นี่ทํากําลังใจขเขาลังเกิดความรู้สึกแทนที่จะโกรธกจบคกมีความเมตตาผ่าณีกเจมีสงสารถ้าโอกาสมีก็ควรจะเกื้อกูลให้มีความสุข แล้วเราจะไม่หาดิสิยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็ยินดีด้วยเราไม่ซ้ําเติมไม่ให้เขาทําความชั่วเมื่อเขาทําความชั่วแล้วแทนที่เราจะยั่วยเขาชั่วมากขึ้นเก่าเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับเนี่ยปล่อยมันไปนี่เคือว่าพระอนาคามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หนักอยู่ในอาธิจิตสิกขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาชิจิตสิกขานี่ตอนจละลืมพระราพูดอยูเสมอก็ได้แก่มีสมาธิม่คงจนามาธิม่คงแล้วไม่ใช่ไงายามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เ่อรม ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนสัตว์รังเกียจในเสียงของคนสัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่โม้นสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กล้ามารมเป็นปัจจัยของความสกปรกโสมมเป็นของน่าเกลียดกล้ามารมเป็นเครื่องผัวให้เราเกิดแจ่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่น่นอนไม่ได้ใจคิดไมอย่างนี้เปี่ยนปกติสิ่งที่เราจะถึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน ตั้งใจไว้ว่าเราพยายามทำรายการมาลมไม่เกิดในรูปจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เขาเสียงปัญญาการเราไม่ยอมรับคำนินทาหรือสังเสินใดๆที่มีอารมณ์มกระทบจิตแต่ในธรรมีนี้ไม่ทําให้จิตโกรธเพราะคาว่าโกรธไม่มีแสดงว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปั๊บมันมาร่วงหล่นไปทันที จิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธเจวันที่สุภิยะปริปาชกกำลังธรามนกลุงกับหลานมีความค่ายข้าไม่ีความเห็นไม่ข้าสึกซิ่งกันละกันสำหรับท่านลุงยินทาพระรัตนตรยนัยมีพระพุทธเจ้าเป็นตนตลอดขึ้นอย่างลู้ไม่ได้หลับไม่ได้นอน ตอนนี้พอใหญ่เเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินนวรมเหตุบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบแจ่มแจ่ ง, อองน่ารักน่าเคารพแต่บรรดารูปีเครื่อตนเกลื่องกนลแสดงการลุกลี้ลุกลนเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีกายสมรวมแทนที่เขาจะเห็นความดีพระ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิชฉาที่จยาพระพุติเจ้าและพระอริยสง์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจา้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดที่ซึ่งหลับนันทมานกผู้เป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านโลกเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี เห็นว่าพระสงฆ์ดีมีระเบียบเครื่อร้อยดีกราบนั่งสังเสรินองค์สมเด็จพระจินัาฐสีบริมสาเสนดาลตลอดวันต่เอเช่นเหมือนกันลุงนินทาพระพระันตนไกรหลานสังเสินพระพรัตนไกรอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคาเป็นข้าศึกเสียงและกันเมื่อในตอนเชา้าบรรดาพระสงฆ์ได้ไปถวายทราบข่าว จึงเข้ามาเป้าองค์สมเด็จพระพุทธวันกราบชูในโรงทราบตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงพัตมปฏิสนานะบรรดาประสงทั้งหลายว่าพิจ เ, เวดูก่อนที่สุทัลายนินทาประสังสาเป็นโล ก, กธรรมดานั่ถิว่าเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมด จะคนการนินทาไม่มีตามพระบาลีว่าจิตโลเกะนินทิตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีเลยโลกฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนันสนเสื่อและคำนินทาเราจะไม่ชั่วแม้เมื่อเราทำความดีมีช่ำไฉเขานินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลว เขาะยสันเส้นเรบเยียงใดก็ดีเราก็จะไม่เลวไปทางเขาเราก็จะไม่ดีไปทำคำสั่นเส็นนั้นเพราะเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนิขินใาสั่นเสนถือว่าธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกระาทาั่งแบบนี้ทั้งหมด และองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงและนำบรรดาพิสุทธิ์นั่งหลายทรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับพฤติกรรมใดยการทั้งคํานินทาใะสนเสริมคําว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจอินทาก็ช่างสนเสริมก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเอาไว้นี่เป็นอนุวัตเราเพ่งในด้านเห็นว่าคน อ, อื่นก็เร็ว รความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเฉียดสีกับอุจาระหรือว่าปตถิโบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเนไปแ็กเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังกินเสงค่ามันสูงกว่าเกลือเนื้อค่ามันสูงกว่าหลังทีนี้เมื่อเราส่งอารมณ์จิตให้ได้ความดีเห็นคนอื่นเขาทำความตัว เราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวกเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วด้วยในจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาไมาจะป็นแจงเต่งกาเป็นประการใารดแล้วก็คิดว่าเขาตั้งใจไปในรวกก็แช่งเขาเถอะเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายที่ต้องมีอารมจิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกอยู่เสมอเมืม่อจิตขอเราเป็นสุข เห็นความสวยผดผืนงามของรูปสมนมพันต่างๆเห็นปั๊บความรู้สึกเกิดทันทีเพาะเสื้อผ้าของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาหมายความมันเป็นของสกปรกต้องมีสติเป็นยันยาคุมตามปกติแล้วก็ตับอารมณ์คำว่าสวยสดืงามออกได้จริง โดยพิจานณาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่พวกเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทัพสินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่พอกเราเราไม่มีอำนาจที่จะควบขอมมันร่างกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดที่ยานเสนอร่างาาากายภายนอกคือผิว แต่แ ล, แล้วมันก็สกปรกป้นองเหือกใครมันชำระร้างกันตลอดวันแต่ถ้าว่าเองเหือกใครที่มันสกปรกรมันมาจากไหนมันมาจากภายในพละากายพละใจกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยที่ทําความรู้สึกให้มีความเข้าใจตาความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น ถ้ามีความแปรพลนเสี่มยมไปไปทนกกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดในเมื่อมันทางเรายึดผีร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นพวกเราก็ดีไปพยายามไรักร่างกายเขาคนอืกก่งตัวดีในที่สุดร่างกายในสองประเภทนี้ก็ไม่สามารถแก้ควบคุมไม่ได้มันเป็นหลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องอะสมัติของเราสักอย่างเลย เป็นอันว่ามันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นผู้อาศัยร่างกายชั่วคราวเท่านั้นฉั้นเ็จะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยากันในการชำระจิตถ้าจิตก็เราสกปรกจะมีความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโสมโนมพันตาสาสเป็นต้นต้นนี้ จิตของเราจะรับจากปริฆะ ค, ความกระตุกกรทั่งทางจิตแล้วจะได้ความดีคือความสันเสริญให้ได้ความชั่วคือการเล่นคาก็ชีวิตจิตของเราเหลวมากเกินไปจิตใจของเราล้อมไปในอบายาภูมินี่เราต้องพยายามดูตัวอยู่เสมอพยายามเป็นนามจิดของเราไว้ดูจิต ดูจิตของเราอย่าไปดูจิตของคนอื่นคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เลนทุกคนเราพูดกันในตอนเย็นทุกวันก็มีก็มีหานสีเป็นอคติสีทรงอคติบาสีนถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันแล้วยังมีอารมณ์เลวก็คือน้าเสียดายใหญ่เนีย ว่าท่านหลายๆจะต้องกลับไปสู่นรกใหม่เจ้าต้อมีความรู้สึกใจประนามใจไว้เป็นโบติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมาาื่อไร่ก็ควรทราบว่านั่นเราเลวมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับรับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคําว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดี ทั้นี้เพราะอะไรเพไอ้ํามารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมาระกิเลสและวมันก็แบกความชั่วเขาไว้ทั้งหมดอมความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดระคับระคองความชั่วเขาไว้ทั้งหมดมมทั้ ง, งนี้เพราะอะไรเพเราไม่มองตัวเลวเราก็รับเองเอาความเลวเขาไว้เต็มใจที่มาลงของใจแล้วไม่มีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าดีและไม่มองความชั่วของตัว ก็ที่เรเสียดชีวบ้านและใครสักบ้านทำลายความสุขของชาวบ้านและอาการอย่างนี้งจงทาบว่านิจิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายระว่าจาดเร็วเคินพอดีและเมื่ออารมณ์จิดที่มันได้แล้วก็จงภาวนาไว้ว่านรกเป็นที่อยู่ของเราที่นานหลายแสนกับ ที่เร า, ากลับกจเจ้รารับ่าเถิดถึงคนได้ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไวเป็นปกติสังค ม, มคนดีเขาไม่ยอมรับสักวันหนึ่งน้าเขาก็คงจะไล่เราไปจากสังคมนั้นก็ไม่มีใครเขาปรารนาะนอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็ไม่ถึงความร้อนใจ ในเมื่อคนบคนุคนลใดก็ตามเขาพูดเรืงความเลวขึ้นมาเมืไรเราก็สะเทือนใจในนั้นคิดว่าเขาด่าเราเรื่อความจริงไม่มีใครพูดด่าเขาก็นำว่าความเลวมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพเอ็นวัวสันหลังบะพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็ขเข้าใจว่าเขาด่าเราที่ อ, ององ่์ยานี้มันเป็นความเลวของเราความเลวนี้จะนำเราลรงนรก ก็ต้องเป็นเศษอนแก่ตัวกายเป็นสติฉันกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติตแล้วถ้าจะยักตะขอเปนสมาชีวะสมาธิเป็นของยากน่าเสียดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดถึงคนนี่จุบนามตนไม่เป็นปกติอย่าชมตัวเองและก็จงรู้ตัวเอง รู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่เกิดขึ้นจะทําลายไม่ใช่จะส่งไว้แต่ความดีจุดแห่งพระอนาคามิก็คุมจิตไว่าเราจะไม่ถึงว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกประเสียงใดๆมีความใคร่จับใจที่ลืมไม่ลง จะไม่ติดใจในสิ่งใดๆเพราะฉะสภาพมันจะหลายตัวง่ายจะไม่หลงไหลไปฝันในรถโตรถไม่มีความหมายฝันรินแลว้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดๆ ใ, ในระหว่างเปรียบเพร่างกายคนแต่คนสกปรกเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกา ย, ร, ากายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนผงใสมุจจาละ ได้ถุงมันก็บางแสนบางกินไอความเสื่สอมทรัพของอุจาระมาเสิ่อมออกมานอกถุงแสดงว่าเปรนเสียงหน้าเรียดปัดอารมณ์นี้เส้นได้เปาา็นอนาาสมถะคือกายกตาสติและสุภกรรมฐานแต่ตัดอารมณ์มีความต้องการเพื่อเทศกาลญาติที่คือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึ่ของเร า, ไ ม, เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขา มันเป็นเรินองอาศัยของปิดโชคลาภตอนนั้ น, นชำระกิดให้ผ่องใสถ้าจิตใจพวกเรารักษาอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นเอกลักษณาา์รวมโดยไม่ต้องระวางังและรักษาอารมความโกรธความยบำแย่ความไม่พอใจในท่านท่านไ ด, ได้ที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขกับฟังคําพัพพพนธสัญญก็ไม่สนใจกับฟังคํานข่าวว่าร้ายเจตสีก็ไม่สนใจ อารามรา์มั่นสบายมีความสุขมีสินวริ์มีความเคารพในพระราสนาใหญมีกำลังใจไม่ติดอยู่ในค ว, ความโลภความโสดความหลงที่เป็นอารมณ์อยาิมีกำลังใจไม่สนใจกโลกสมโนมผันไม่มีความพอใจในระหว่างเกิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือไม่มีความหวั่นไหวเป็นสังขารเสถีายรยาน คือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปติพุณเป็นพระญาติบุคคลที่ไม่ต้องกลับเข้าเสด็นมษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็ได้ผ่านบนนั้นระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน ทำใดที่เพิ่กล่าวสอบไปตหมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปนี้ไปเขาบันดาทั้งอย่างไรตั้งกายให้ตรว ง, ดดงํารงจิตให้ใหม่ําหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารนาตามอัธยาสายเชื่งกว่าจะดินท้นญาบอกหมดเวลา